แล้วก็ว่ีสังขารเป็นทนายก็ได้แต่ว่าดีสัญญาเจตนาึือว่าเล่ากล่าวว่าดีกรรมเป็นคำสรุปหรือทุติยภูมิก็ดีหรือกล่าวปฏิทวราออกมกรณีเจตนาใจคำโสระพุทธในพร้อมกับอุติสุบจิตุบา ท, ที่เกิดขึ้นเพื่อกล่าัคำปฏิทวจ้าอันนั้นเป็นสตัญญาเจตนาเจตนาไดที่โสระพุทธเกิดขึ้นกับอคติสุบจิตตุบาพร้อมกับที่เราเปลี่ยนคำสรุปรีรทุติยภูมอันนั้นเป็นสุติเจตนา เป็นอย่างนี้เป็นเจตนาอย่างนี้ส่วนจิตสังขารนั่นคือมนุษย์ไม่ไดเจตนามนุษย์ไม่ได้เจตนาง่ายๆว่ะเจตนาที่เป็นไปในส่วนมนุษย์ที่เป็นไปทั้งสายตาประจอนปากประจอนหาประจอนนั่นแหละชื่อว่าจิตสังขารไม่ที่นี้เพราะนั้นคำว่าอริยาเป็นปัจจัให้เกิดสังขารเึ็นปัจจายให้เกิดอย่างนี้สังขารโอดังที่อธิบายมานี้ คือปญญเป็นสังขารปญญสังขารกับงาสังขารายสังขารรูปีสังขารจิตะสังขารเป็นอย่างหนึ่งเ่้แสดงเลยในยักษนี้ที่อันหนึ่งถ้สังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดดินญาินที่นี้ก็ได้แต่วิบาทิทบาทิษสิบเก้าดวงที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งปฏิจิณิการสามสิบสองดวงด้อำนาจแห่งสวัการชื่ว่าวิญญาในที่นี้ที่ว่าินญาณในที่นี้ พูดได้ง่ายว่างขารนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสองสนิดวิญญาณหนึ่งเรียกว่าปฏิสันธิวิญญาณหรือปฏิสันธิติจิตกิญญาณหนึ่งเรียกว่าประวัติปิญญาปวัติวิญญาณน่นับเอาตั้งแต่ปฏสมพลังหลังจากปฏิปันธิตขณะดับไปแล้วเป็นต้นใจกระทั่งถึงจิตปิญธิติ่ในภาพหนึ่งทบหนึ่งเป็นที่ว่าประวัติปิญญาทั้งหมดที่เกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่ปฏิสมนธิแล้วชื่อว่าประวัติิญญาทั้งหมด เพราะฉะนั้นเป็นไปให้เกิดยิ่งามก็เป็นไปอย่างนี้ยิ่งยามเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปนามในที่นี้ท่านแต่วหวาได้แต่ขันสามคือเวทนาขันสัญญาขันกับสังขารขันสังขารขันในที่นี้ก็หมายแต่หมายใจจิตจิต ก, กระทานั่นเองที่เกิดขึ้นมาเพราะเม่มีจิตแล้วก็จะมีจิตกระติกเกิ ด, ป ด, เ, กดเป็นลำดับต่อมาแล้วก็ รูปในที่นี้ได้แต่รมัชรูปที่สร้างรด้วยกับปฏิจที่วิญญาณตั้งแต่ปถมปฏิจัที่ขนะตรมัชรูปหมายถึงตัวรมัชรูปโดยตรงในที่นี้นะโดยตรง <im ple> ตัวตอนนนนายุชะนะพัฏฐะอันเข้าใจง่ายคือก็ได้จาอายุชะนะโอ้อพัฏฐะคือความประกบกันระหว่างอายตชะนะภายในภายนอก แล้วต่อวริญญาณที่เกิดฟ้องในอาญตนะทั้งหกนั้นชื่อว่าอัจฉริเวทนาก็เหมือนกันเข้าใจง่ายปัญหาปัญหากับอุปาทานอันนี้แตกต่างกันแต่การเป็อนองค์ธรรอันเดียวกันคือว่าเป็นมีรลพัฒเป็นเป็นองค์ธรรมที่แ ต, ตกต่างกันนี้ปัญหานั้นน่ะคือสภาพใดที่ปรารถนาในอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงชื่อว่าปัญหา เปรีมือ น, นกับนยืมือจะไปนในที่มืดเืเจตนาจะลับของเขาแต่ว่ายังไม่ยังไม่้ของนันยงแต่อาการที่ยื่นมือใสเพื่อจะับอาการอย่างนี้เป็นอาการของปัญหานะอุปาทานได้แต่อาการที่ินลักของนั้นแล้วก็ถึงเอาไปของตนนี่เป็นทาการของอุปาทานนี่เราจะเห็นความแตกต่างปัญหาตอ ปัญหานั้นมีความทุกข์เพราะแสวงหาเป็นมูลอุปาานมีความทุกข์เพราะอารักขาเป็นมูลแต่ปันหานทุกข์เพราะว่าต้าตานะองแสวงหาวื่งคล า, านคลานที่จะแสวงหาอลรมที่เป็นอาการปัญหาเหมือ น, นกับตัวที่ไขว่ค้าสมบัติที่ททไข่ว้าสมบัติต้องการที่ไปวค้าสมบัติึงว่าปัญหามีการมีความแสวงหาเนี่ยเป็นทุกข์เป็นมูล อุปทานการตามอารักขาเป็นเงินทุกข้ออารักขาเป็นเนเพราว่าเมื่อไขคว้าได้สมงหวัดชินนั้นแล้วก็ยึดถือว่าสมหัดชินนั้นอ่ะเป็นของของข้าใอื่นจะมาแย่งชิงต่อไปไม่ได้มีการมสวังแหนสาปนากวกคิดคำว่าอุปแปลว่าแต่ทันคิดในภาษาอุปัตแปลว่าแต่ทันคิดหรือแปว่าเชียงแจหรือแปลว่าอ่าอ่าใกคิดหรือแปลว่ากระทั้นอุปั บวกอาภรณะอาภรณะแรา ว, ว่าญาณเอาไวา้จิตเอาไวา้วิญเอาไวา้ผลที่เข้าเป็นอุปาทานะคืออาจารที่กระจายเหื้อร่างอย่างกระทั่งขึ้เนเนื้ร่างอย่างนั้นแท้ที่ว่าอุปาทานท่านจึงได้กล่าวว่าปัญหามีทุกข์เพราะแสวงหาเป็นมูนอุปาทานมีทุกข์เพราะความอนักขาเป็นมูลอนัตาทืออารมณ อ, อันตัวได้มาเนี่ยนะเป็นมูล เป็นอย่างนี้ปัญหานั้นเป็นปฏิปักษต่อคามมัดน้อยอุปาทารนั้นเป็นปฏิปัตษต่อความสําเูรณ์เป็นปฏิบักษกระทํากันปัญหาเป็นปฏิปัตษต่อคามมัดน้อยนะอุปาทารเป็นปฏิปัตษต่อกวามสัมบูรณ์นี่เป็นปฏิปักษกระทํากันฉันถามบอกว่าอะไรเป็นคำที่เป็นปฏิปักษต่อปัญหาคําที่เป็นปฏิปัตษต่อปัญหาคือความมัดน้อย ความมักน้อยํำที่เป็นปฏิจจตัวอุปาทานนั่นคือความเฉโดุนี่องค์คำทั้งสองเนี่ยความรี้ก็เป็นโลภะอันเดียวแต่ว่าท่แยกเห็นว่าอันไหนอ่อนอันไหนแรงปัญหาอ่อนตัุปาทานอาทานมาถึงจะางเหนีงเอาทีเดียวกแหงปัญหากเีแต่แต่ที่จะแปงหากนันเองนี่ความแตกต่างกันปัญหาเป็นปัิจจตัวอุปาทาอุปาทานเป็นปฏิจจตัวทุกพุกในที่นี้เนี่ยมีสองในยัะ กรรมพุหนึ่งอุปาปฏิพุหนึ่งนะกรรมพุหนึ่งอุปาปฏิพุหนึ่งในที่นี้กรรมพุท่านแก่ว่าก็ได้แต่ถึงไม่เจตนาตัวถึงไม่จำตัวถึรไมก็แก้คล้ายกับสังขารนั่นแหละคือแก่เป็นปัญญาเป็นสังขารเป็นญาเปสังขารอนินเป็สังขารเหมือนกันแต่เพราะว่าเป็นกรรกระทําไปด้วยมีการกระทาเตลือไปด้วยคือไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นมโนกรรมอย่างเดียว ยังเป็นทั้งวิธีกจมตายจมได้ด้วยประการหนึง่งอีกประการหนึง่งท่านให้หมยายว่าอวิชชากับสังขารนั้นเป็นอดีตเหตุเรื่องกรรมพยะในทีนี้ได้แต่ปัจจุบันเหตุที่จะส่งผลให้เกิด อ, อ, อนาคตผลอนาคตผล นู่ท่านได้แบ่งนยยะออกไปบากว่าอัิชาตังขา น, นั้นเป็นอดีเตเดิปัจจุบันผลคือวิญญาณนามรูปสราญชนะับระเวยนาปัาาห า, าสราญชนะับระเดยนาโดยธนยาปัญห า, าทั้งหมดนี่เกิ<โ> ด, <โ>ดมาจากบาอบิชาสังขานั้นเด่นหนาแล้วก็ปัจจุบันกรรมฐานในปัจจุบันนี่จะเป็นเหตุ เป็นจมที่เราทําใหม่เป็นสั้งขารอันใหม่ที่เราทําขึ้นในภาตินี้เพื่อที่จะให้ได้รับผลกล่าวคือชาตราศโกรกเปริเทวะในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านีอันหนึ่งนี่อธิบายตามนายะนี่อธิบายโดยแยกเป็นการการสามอดีตอดีตการปัจจุบันและการอนาคตการแต่ว่าโดยนายะแพ้แล้วกตรมการว่าไอ้ที่นี้ต้องแท้ยังยาวกับสังขารนี่เอง้อย่างยาวกันเลยเอง แต่ว่าเราทำต่อเข้าใจเพราะว่าสังขารที่ว่ามันนั้นเป็นอดีตเป็นกรรมพวะนี้เป็นปัจจุบันทำต่อเข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันว่ากรรมพวะกมันได้แต่ปัจจุบันที่จะเป็นเหตุผให้ได้ผลในอนาคตต่อไปเพราะว่าอุปัตติทุก น, นั้นมีมายาสองอย่างที่เราอาจจะไม่เข้าใจว่าอุปัตติทุกจะฆ่าสิ่แตกต่างกันอย่างไรอุปปัตติทุกไม่เป็นปัจจัยที่จะฆ่าสิ เระฉะนั้นคำว่าพะปัจญาชาตินั้นต้องทำความเข้าใจว่ากรรมสวะเท่นั้นที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดชาติได้แต่อุปาปติพวันนั้นไม่เป็นปัจจัยให้เกิดชาติได้เลยนะก็แยกกันถ้าไปหอาย่างทั้งกรรมสวะกังอุปาปติพวะเป็นปัจยาชาติแล้วผิดกรรมสวะเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดชาติได้อุปาปติทุไม่เป็นปัจจัยให้เกิดชาติ ไม่เป็นเลยเพราะว่าตัวปิทพนั้นเป็นบาไม่ได้เป็นกิเลสกรมตะวะเป็นกิเสตวะเป็นกิเลสตวะอุชาหนึ่งเพราะว่าตัณหาหนึ่งนะแล้วก็กรมตะวะนี่อกหนึ่งสังขาอีกหนึ่งเป็นพวกกิเลสตะวะตัวปฏิทเพราะว่าไม่เป็นกิเลสตวะเพราะเป็นบาปทำตัวปฏิทพได้แต่อะไร ได้แต่มีกาตวรรษามะตวรรรูวอรูปวสัญญาวอญญาวน่สัญญาสัญญาวแล้วก็ตัววการวิการวปัจการวรงกาพอรูัญญาพอญญานวัญญาสัญญาพ อุตโมการพบกับอุตการพมันเป็นอุตโการพบรวมใหหมดเก้าพบด้วกันเก้าพบด้วยกันเพื่อพิลบทพบ้าตุกตาปฏิทศตอนนี้มีปัญหาว่าอ่าตาปฏิทศจะออกมันแตกตามกันยังไงถ้าแก้วตุกติแต่ว่าที่เกิดแล้วก็ข้าพเนี้ไม่นจะเห็นแตกดวงใจอบัติใจข้าพเนี้ยแตต่างกันสิแต่มันแตกต่างกันนิ่งเหี่ยนนเอง หลวป้าเขาไปพบแล้วว่าที่เกิดถ้าแปลวความเกิดต่างกันแค่นี้ไอ้ที่เกิดกับความเกิดแั้นต่างกันหลป้าเขาไพบว่าเป็นที่เกิดถ้าแปลว่าความเกิดขึ้นความเกิดขึ้นอาการที่ขันปราเกิดขึ้นที่ว่าธาอาการที่อัตภาพตราเกิดขึ้นแล้วที่ว่าธาตุ อุ ต, ษษตาะเป็นขั้นเป็นทีดเกิดฟังกันอย่างนี้ขณะ่านานจางเข้าใจว่าอุตาหะเป็นทคือขีดเกิษษดชา ต, ดติเต็มคือความเกิดแล้วก็เห็นข้อแตกต่างกันระหว่างคาว่าอุตาหะต็ต่างาติเนะ็แกต่างกันอย่างไรเมื่อนีภาพแล้วราบารณะราคืออะไรคือความแปลเปลยนไปทางอัตภาพห้นกิดแตกชาติคืออะไ โสกตระ to, ิเตว่าทุกขโมนัสก็ตามเป็นมาโสกะ้านาคืออะไรโสกตระทำมชฆาตที่โศกะคือความกลมเกลิมใจความกลมเกลิ่มใจเป็นไปในทังนามธรรโศกะไม่เป็นไปในทังวิาธมรอกโศกะคือความเกิ่เกลิ่มใจอาจารย์ที่เกลิ่มเกลิ่มใจพระเดชที่เสืยอมญาต้างเสือรย์บ้างเสื่อเลดฐาบรรดาบ้างอาการเกลิ่เกลิ่ใจที่เรียกโศกะ ไม่พูดว่าคืออะไรเพราว่าเราไม่จจืนเสมอว่าโตนับไปไม่เถอะไม่พูดว่าคืออาการบ่นเธอแสดงมาทางวาจาโตจะต้อบ่นเธอมาทางวาจาแล้วบ่นเธอข้ามคนทีเดียวว่าโตเป็นทุกข์จีนนําเอกขำใจจีนลำบากอารมณ์จีนอาการบ่นเท่านี้ที่จะไม่เถอะถ้าลำพังโตว่าโตเปลี่ยนใจทุกเทมบ่นไม่หรือในใจเฉยเมื่อแสดงอาการออกมาทางวาจาไม่เป็นไปไม่เถอะได้เลย เมื่อเราโดนเทออกมาของใจที่ฆ่าลำพัลพันออกมาเป็นตรีโทวาอาการโดนเทลำพันเป็นตรีโทวาอุปายาคืออะไรคือวารขบแข้งอย่างเหือคนนักว่นักกาตรีโทวาอุปายาหนักหนักมากอาาหนั ก, น ก, ก, นกบแข้งอย่างหนืออกัเหนอือที่เดีวอาการขับแข้งคนที่ฆ่าตัวตายได้จะต้องหนกอุปายา ถ้าลำพังเพียงโผล่กับลำพังเพียงปริเทวะไม่ถึงข้าวาัวตายแต่ถ้าถึงข้าวตัายยกแล้วอาจฆ่าตัตาได้อาจ่าปิได้ถูกข้าวตัายยครับแค้นใจอย่างนี้ไปให้เขาแบบพกกระ่ห้ใจมันจะพังออกมาจากข้างานอกอยู่แล้วทำไมอะไรออกมาเยอมากต้ อ, อกแตกตายเนย่อาการอย่างนี้จะปุริตายย เพราะนั้นทางกล่าวว่าโศกกระพริบโวะโศกกะโทมบลุปายาบะามาเป็นเพื่อนโศกกระขนตัดบะปรากกขึ้นมาทีเดียอาการตอนทุกข์ตอนเบเรเป็นแปะแ บ, บออกอมาปรากกทีเดียอาการทุกข์อันนี้เป็นแปะออกมาทีเดียเพราะเหตุที่วันนี้อาวิชาเป็นตัดใจตามลำดับดังที่สแสดงมานี้อาการอันนี้แปะออกมานี่ละจำตามไมยะแห่งพระบาลีทั้งอัจฉริยะ แต่นามาแสดงอย่างนี้แต่คราวนี้ในสมัยที่เขาพุทธองครับไปแล้วไปมีทานไปแล้วกามคิดความอ่านของบรรดาพระอาจารย์ยทั้งหลายที่ยืนยามอา ธ, าธิบายพุทธธรรมให้แตกต่างกันออกไปตามมายแาแห่งอาจารย์แต่ละตำนักแต่ละตำนักนัก้นมายาของปฏิจจสมุปบาทธรก็ <S S S S มีคือตึความหมายแตกต่างกันหาเหมือนกันไหม ดังนั้นามากดะโดต่อไปนี้ในกาประวัติวัดประวัติวาดที่กา ร, ร, าาราามีใจสำคัญเขามอีอภิธรรมเจดประการเมือนกันแต่ว่าเรียกทื่อแตกต่างกับอภิธรรมบายบาลีแล้วก็บารัชฌาอภิธรรมก็แตกต่างกันบ้างคือมีอภิธรรมป่าดิจุตาอิธรธรม ย, ยานาานากปรัชญาอิธรรมแล้วก็ปัรณะปัจจารณาอิธรรม ธรรมะกันธาิธรรมแล้วก็มีสังคีติปรรยา yatitam ม, ามีมีอัิธรมมกันีรรมไมมยามความหมายติดจับลูกปลาธรทำกับติดจับสมุปตะนะแตกต่างกันบ้านากที่หนึ่งทขขขขขข่านสบาตาสบาตาทงลสละเถอได้ยาม่า ทีาา่ฆ่าเานั้นคี่คนรจะเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมอวิชชานะอันเดียวเท่านั้นที่ควรเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบ า, า, า, าทธรรมชราบารมีโสกจักรีเททุกขเวนลุปายาเรียกว่าปฏิจจสมุปปันนะธรรมเจาอิสติสเองนที่เ ห, หลือตังแต่ญญยมยานจนกะขั่งถึงชาติ ทั้งหมดเป็นทั้งปฏิจจสมุปบาทธรรด้วยเป็นทั้งปฏิจจสมุปปนนะธรรมด้วยนี่นติีหนึ่งของอาจารย์ปาราสวะเถระอาจารย์ปราปาราสวะเถระได้คอธิบายตัวความคำว่าปฏิจจสมุปบาทธรกับปฏิจจสมุปปนนะธรรมแตกต่างกันอย่างนี้เออปฏทรยงข้านเดียโคดเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรม เราบริษั <sous> ับเรื่องว่าคุณเป็นค่อเติมไม่มีตัดินใจสมุทรตาขันเพราะฉะับรโกับเร่าคทณเปนคนต่อเติมอุตางยานบิบาตุ่อตบริบาตไม่ไดตัดินใจสุทรตาจทาให้ยาถ้านาไม่ได้เปหตุเกิดอะไรคือขึ้นในอนาคตจะการข้างหน้าถ้านาไม่ได้เปบนตัินเกิดชาติโไม่ได้เป็นตัดสเกิดชาตเราะเปนคนตอุายา มันเป็นปัจจัยเกิดธาตเมันเองี่เป็นเัียงแต่ผลที่มาจากเกิดมันจะเป็นเกิดที่จะให้เกิดผลในอนาคตได้เพาะฉะนั้นเหตุผลเช่นเียกันนี้ที่กล่าวว่าในปฏิจจสิมุานั้นทาถ่าเดียวไม่เป็นปฏิจจตุสติมุตนะครัยืนยันกะพังถึงธาตุยืนยันถึงาติยืนยานนำลึกตอเวลานะปฏิเมตนาเน้าประกา เพราะว่าพาตุในคงนี้เป็นขั้งปฏิจจสมุปบาทธรรมเลือดเป็นขั้นปฏิจจสมุปปันนะธรรมเลือดเป็นอย่างนี้เพราะว่าวิญญาณน่ะเป็นขั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมในขณะเดียวกันวิญญาณก็เป็นปฏิจจสมุปปันนะธรรมของสังขันธ์แล้ววิญญาณก็เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมของนามรูปในขณะเดียวกันนามรูปก็เป็นปฏิจจสมุปปันนะธรรมอวิญญาณนามรูปเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรม ของเยตนาเทระยตนากเป็นปฏิจจสมุปของนามรูปนรยตนเป็นปฏิจจสมุปธรรมดกันอ่าะก็ปฏิจจสมุปปัญธรรมอยตนนี่มันอยตั้งแต่ยทาติตาเป็นปฏิจจสมุปะธรรมกับปฏิจจปธรรมได้ เพราะเหตุนั้นเป็นะว่าเต็ที่อยู่้างกลางนี้เป็นทั้งปะิจับนุปาาทเรื่องเป็นทั้งตะปิดจับนุกปัญะทำเรื่องตัวพระราชาตัวกะัับนุกโายานเนโขนส่เรองไม่เป็นเหตุจึงจึงตปปิจันุกปัะทนี่นี่เมาที่หนได้ยังนงมาเป็นที่สเป็นของท่านพญาถึงโองกับท่านพญตาถึงโทง ท่าน er, ี um, créer, domain, death, ้น like, ี้เน่ยความหมายว่าอวิชชากับสังขารเป็นปฏิจจสมุปบาทในธรรมอวิชชากับสังขานีเป็นปฏิจจสมุปบาทด้ธรรมตรงนั้นล่ะปูนข้าวจักราบนั้นเป็นปฏิจจสมุปปนนักธรรมเอ็งทำที่เหลือดิบแต่เป็นท่านปฏิจจสมุปบาทในธรรมด้วยเป็นท่านปฏิจจสมุปปนนะกรรมอีกด้วยือกระดิ่งมัติมัติหนึ่งแตกมาไม่จากมัติแง ถ้ารู้แต่าังไปจากภาติแรกแต่ถ้าเราจับเหตุว่าอดีตเหตุคืออวิชชาตับสังขงารเป็นอดีตปัจจุบันผลคือวิิยาณนามเรประเจนาภักาีเวทนาเป็นปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุสามคือปกกัญหาอุปาทานจากกรรมปวัชปัอนาอุปาทาจากกรรมปวัเป็นปัจจุบันเหตุสามอันจะให้เกิดผลกล่าวคือเอาพาติ เท่าโตกลับไปนี้เธอว่าพุธก็โมนนะในคนาก็โนอีกข้างหน้าถ้าว่านี้ลาต่อหมนได้รับคือไม่ทัดเลยไงไม่ทาดเลยพว่าทมเขาีึงลว่ายินญาณนามรูปเทานั้นัแต่ตัเรอนามธรมตัดปานักหมนคือวาข้าหาว่ามันจะเป็นไปด้านนักโหม่นแล้วนะขระารทน้าวิชาบางจะมียินญาณเพระตัวินญาณมนยั่เต็มไปอยู่ับ ม้ำอูกเขาตงจะมีอยู ağı, ่เวลารงท่านีอยู่ทัดจากที่ท่านจะังมีอยู่จับตัวผตัวชาวพทธกตนาจักตวผมับรัชาวพุทธเกตนานี <dram> mm ่อยู่หมืคนธรรมดาทกอย่างเหมือนกันถึงะทั่งนานี่ที่ท่านมาต่อจานกับดุริยคนน่ะดูไอ้เกมที่ว่าเมื่อกี้นั้น่หตุท่านยี่แทไม่กอแล้วปัญหาอุปทานมวิาะ่มีแล้วแต่ตงัรงน เองใจบาปทำหรือไม่น <torture> <endy> ั่นเมือนกันหมดเดียเพราะภาลังท่านภาลังในภาพนี้ท่านจะมีอวิชาสังขารอันเป็นอดีตเหตุมาพุ่เองนั่นแหละทํานเองนี่พุมาเกิดเป็นคนในภาพนี้ท่านจะมีอวิชชาสังขารเป็นอดีตเหตุมาแล้วทั้นั้นซึ่งเป็นผลในใจบาปในปัจจุบันได้แต่ดีญาณเอานามลูกเอายาจิตนะเอายัดฝาเอายาธนาเอยมือนกันเมือนกกับวิถีโนนิดหนึมาแตกต่างับวิถีทนตรงที่ว่า ท่าไม่ได้กรอปัจจุบันเหตุเพื่อผลอนาคตปัจจุบันเหตุที่ท่นมีคืออะไรคือตัณหาอุปาทานากับกํามปวัตไม่มีถ้านไม่ได้กรอขึ้นปัจจุบันเหตุฝามันมีสี่สี่ที่เท่นี้ที่เทน่ะพ่อจับติดท่นานทัดเจตตาจับติดเทนาพอถึเคื่องเทวนไม่ถึงเที่เวทดททนานี้ล่นโคตรตัณหาเลยการอันพอกาหนดเทนาก็อยู่ข้อเทวนาไม่ล่นถึงตัณหาไม่มี เไม่ได้ปหาเพราะนั้นท่ทานพระุเจ้าร บ, บอกว่าข้าราทั้งหลายนะเนี่ยสวยอามรมณ์น่เหมือนกับวิสที่าแต่ท่ทานมีชังที่เดขาไม่ไดวันไว้ปอารมณ์ทั้งหลายเบิดขาที่ตรงไปในอารมณ์สงนี่กว่าชังที่เิดขานี่นะอาการที่รู้เททันตามเป็นจริงม่ได้ไม่ได้เกิดนทีลาค้าความเพินเพราะเหตุที่สวยิทธาอารมณ์หรือเกิดความริ่งเริอยากจะให้พ้นไป เกิดแลกเอาอารมณ์ดีในขณะที่สวยอั น, นิี้ารมหรือเกิดความเมามั ว, มวตามตามไปถ้าเหตุที่สวยมัดคัดตาลมคือเดยเขาโดยธนาที่ได้รับสวยมัดคัดตารมเข้ามาถ้ามีสิ่งเหล่านี้สาเหตุนั้นเกิดธนาที่เกิดกาาจากพระอรหันต์เจ้านึงมีราคะเป็นอนันใส่ตามนอนเนื้องังไมมีราคะเป็นอนันใสยตามนอนเนื่อเวลทาทำจะเป็นปัจจัยเกิดปัญหาก็มีไม่ได้ มันหนุกแค่เพียงแค่นั้นแล้วก็ไม่เกิดมีปฏิฆาตามนอนเนื่องละทุกขเวทนาเหตุนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นไม่ได้ในการจะดิ้นรนเพื่อจะให้พ้นแา่ทุกขเวทนานันไม่เกิดอวิชาตามนอนเนื่องในขณะที่รับมัชฌรลเพราะเหตุนั้นปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเาอารมณ์นั้นเพราะเหตุาหาตที่เราหันตกคือบันเหตุสามอย่นี้ ข้าสาวรวัลณะโศกัตยอันเป็นอนาคตสังขของท่านตัวนี้เกิดกับท่านท่านจึงปฏิญาณตมได้ว่าข้าขึ้นแล้วผมจําเกิดแล้วที่จะเพิ่มทำอีกผูนี้แล้วนี่ตรงที่สุดถ้าอื่นๆแต่ข้าเพียงที่เหาือห่ปฏิญาณได้อย่างนี้ประบาทให้จบไปซะก่อนนะครับคือว่าเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปาฏิ์นั้นเป็นโลกกระทักกับชีวทักในพุทธศาสนาเมื่อพุทธศาสนาเราปฏิเสธผู้สร้างในฐานะที่เป็นตัวบุคคล แต่ว่าพุทธศาสนาก็รับรองในเรื่องผู้สร้างในฐานะที่เป็นกิเลสหรืออวิชชาคือพูดง่ายๆว่าถ้าจะกล่าวถึงว่าผู้สร้างในทัศนะนั้นทางพุทธศาสนาคืออะไรพุทธศาสนาก็ชี้ไปที่ตัวอวิชชาผิดศาสนาอื่นครับศาสนาอื่นที่เป็นฝ่ายเทวนิยมจะต้องไปบำรุงบำเรออ้อนวอนแสดงความจงรักภักดีต่อท่านผู้ที่ได้สร้างชีวิตได้สร้างโลกนี้ขึ้นมาแต่พุทธศาสนาเราเท่ากันข้าม กับสอนให้ทำลายทำลายคัผู้สร้างให้หมดไปเพราะในฐานะที่ผู้สร้างคืออวิชาเป็นกิเลสเป็นผู้ที่สร้างทุกสร้างชาติชาติที่ทุกชาราทุกพยาธิทุกบารณะทุกและโสกับปริเพวะทุกโ ท, โทมนัตอุปาญาต่างๆนานัตประการมาให้แกเราด้วยเพราะฉะนั้นไปศาสนาเทวะนิยมสอนให้ไปบูชาไปพักดีแต่ทางพุทธเราก็สอนให้ทำลายกําจัด อวิชาคือผู้สร้างนี่ไปไปเสียเราถึงจะพ้นทุกดาอาวิชานี้เป็นต้นเงื่อนของคำวมาปฏิจจสมุ ป, ปบาทพระพุทธองค์ได้ทรงสแสดงไตยยแห่งปฏิจจสมุ ป, ปบาทโดยอนุโลมนัยอันหนึ่งโดยปฏิโลมนัยอันหนึ่งโดยอนุโลมนยัยคือทรงสแสดงตั้งแต่เงื่อนต้นอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารตามลําดับครบสิบสององค์อันนี้ดีว่าอนุโลมนยัย จากต้นไปหาไปหาปลายโดยปฏิโลมานายัยทรงแสดงจากปลายไปหาต้นคือขบปัญหาว่าโศกปบบริเทวทุกขโทมณัตอุปายานี้เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยก็ทรงพิจารณาดิปัญญาก็พบว่าก็พบว่าเพราะมีชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยชาติมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็เพราะมีภพเป็นเหตุเป็นปัจจัยย้อนขึ้นไปกระทั่งถึงอวิชชาอย่างนี้ด้วยว่าปฏิโลมณัย ปฏิจจสมุปบาทอีกในหนึ่งแสดงโดยความเป็นท่ามกลางท่ามกลางคือแสดงตั้งแต่เวทนาจับเงิ่อนมั่งแต่เอาเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานไปจับเอาตอนกลางเอาท่ามกลางทําไมไปทรง แ, งแสดงที่เวทนาก็เพราะว่าเวทนานั้นมีทางสุกกระทุกกับอุเบขาสุขเวทนาเนี่ย ก็ต้องมีราคานุสัยนอนเนื่องนะแล้วก็ทุกขเวทนาก็มีปฏิคานุสัยนอนเนื่องส่วนอทุกขมะุกขเวทนาหรือเรียกว่าอุเบขาเวทนานั้นก็มีอวิชานุสัยนอนเนื่องทรงสแสดงจับตั้งแต่เวทนาอันเป็นธรรมเงื่อนกลางเป็นลำดับอธิบายกระทั่งถึงเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเป็นเหตุใหเกิด อ, อุปาทานกระทั่งถึงชาติชะาบารณะทุกต่างๆเป็นต้นมา สามเงือนเดียวกันตามอายะทรงแสดงโดยพิสดานต่างๆส<ป>มุปบาทนี่นะครับเป็นทั้งตัวอริยสัตว์กับเป็นทั้งตัวมชิมัปฏิปทาอยู่ในตัวเองทำไมเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวอริยสัตว์จตุราริยสัตว์เนี่ยหนีไม่พ้นปฏิจจสมุปบาทมชิมัปฏิปทาตัวนี้ไม่พ้นปฏิจจสมุปบาท ที่ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าปฏิจจสมุปโบบาทนั้นโดยสายสมุทัยาวาระสายสมุทัยว า, าระนะฮะคืออวิชาเกิดเป็นสังขารเกิดนี่ทุกข a r i ย a ั a สมุทัยอริย a ั a t สงเคราะห์ อ, อยู่ข้างในสงเคราะห์ข้างในอร i ย a t a t สองข้อตนปฏิจจสมุทโบาทสายนิโรธวาระตั้งแต่อวิชาดับสังขารดับนี่เป็นมรรคสัตต์กับทั้งเป็น ทุกคณิโรทัศน์อยู่ในนั้นด้วยทุกคณิโรทัศน์อยู่ในนั้นด้วยอันนี้ก็เห็นได้ได้แล้วว่าอาริยสัจสี่ก็อยู่ในปฏิจจสมุปบาทอนั้นที่ว่าเป็นมชิม่ปฏิปทานน่ะก็เพราะว่ามีพุทธภาสิตแสดงไว้ในสังยุยตติกายว่าดูก่อนตัดจานะสแสดงกับพระจัดจา น, นะว่าดูก่อนตัดจานะาถ้าบุคคลอาศัยปัญญาพิจารณา โดยปฏิจจสมุปบาทโดยสายดับอวิชชาดับสังขารดับตามลาดับแล้วความรู้สึกว่ามีว่าเป็นก็ไม่เกิดความรู้สึกว่ามีว่าเป็นคืออัคติตาอัิตาก็ไม่เกิดอัิตานี่ก็ได้ใจสัส ถ, ถิติถ้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยสายดับสัส ถ, ถ, ถิติไม่เกิดพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดย สายเกิดอวิชาเกิดสังขารเกิดตามลำดับแล้วนัตติตาก็ไม่เกิดคือความเห็นว่าไม่มีนัตติตาในทีน่นี้ก็ได้แต่นัตติกะพิถิเพราะฉะนั้นประฉาคตตรัดว่าประฉาคตสแสดงธรรมโดยท่ามกลางไม่ติดทั้งสิ่งที่เป็นอัติตาไม่ติดทั้งสิ่งที่เป็นนัตติตาคือปฏิจจสมุปบาทนี้ทรงแสดงขึ้นมาอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า หลักมัชชิมปฏิปทาก็อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนี้เองไม่ได้หนีไปไหนเลยบอกตรงว่าสาระสําคัญของพุทธศาสนาทั้งหมดอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเราจะชี้ธรรมะข้อไหนกระทบถึงปฏิจจสมุปสมุปบาทหมดกระทบถึงกันหมดครับสามีเราทราบละได้แล้วว่าอาวิชชาเป็นเงื่อนต้นขอวัฏฏะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขาร สังขารผมเน i i ี่ยอธิบายว่าได้แก่ปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารกับอเนชชาพิสังขารแล้วยังท่านแสดงนัยยะของสังขารในที่นี้อีกออกเป็นกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารในที่นี้อย่าไปปนกับกายสังขารที่เป็นลมอัศสาสปัตสาสะแล้วก็อย่าไปปนกับวจีสังขารที่เป็นวิตรวิจารณ์หรือไปปนกับอ่าจิตสังขารคือเวทนาสัญญา ไม่ใช่สังขารในที่นี้หมายถึงสัญญเจตนาคือกายสัญญสัญญเจตนาวจีสัญญเจตนากับมนุสัญญเจตนาเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่หมายถึงกายสังขารอันได้แก่อัศสาสะปฏสาสะไม่ใช่เพราะเรื่องอัศสาสะปฏสาสะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทเลยเป็นเรื่องของการเข้าฌานตามลาดับเพื่อจะเข้าสู่นิโรธสมาบัติเ ท, ท่านั้นเองที่จะต้องดับกายสังขาร วจีสังขารจิตสังขารตามลําดับชั้นของฌานสมาบัติแต่ละชั้นแต่ละชั้นก้าวล่วงไปตามลําดับะขึ้นไปแต่ในปฏิจจสมุปบาทนั้นหมายถึงสังเกเจตนาอันเป็นไปทางกายทางวาจากระทางใจสังเเจตนาเป็นตัวสังขารโดยตรงสังขารยังเป็นตัวเจตนาเป็นเจตนาอันอันที่อันเป็นบุญด้วยเป็นบาปด้วยเป็นอนินชาด้วยเป็นสังเกเจตนาอย่างนี้นะครับ ถึงจะเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นเจตนาเจตสิกเฉยๆไม่เป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทเพราะเจตนาเจตสิกเฉยๆพระอรหันต์ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าก็ต้องมีถ้าไม่มีไปทำอะไรไม่ได้ยุ่งไม่มีเจตนาทำอะไรไม่ได้เจตนาเป็นเจตสิกเนี่ยพระจะว่าไปแล้วก็เป็นอภิยกิติศเป็นกลางๆงแล้วแต่จะไปสัมพยุตกับอาเจตสิกเหล่าอื่นกลุ่มไหน ถ้าไปสัมผเกิดร่วมกับเจตสิกที่เป็นอกุศลเจตนานั้นก็เป็นอกุศลเกิดร่วมกับเจตสิกที่เป็นกุศลเจตนานั้นก็เป็นกุศลตอนนี้เจตนาลำพังตัวเจตนาเองน่ะอันเป็นตัวเจตสิกกระทำน่ะไม่เป็นทางกุศลหรืออกุศลเป็นขัพพยากรเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็ต้องใช้พระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ตัวเจตนาเจตสิกนี้สําหรับทํางานถ้ามีเจตนาเจตสิกแล้วจะพิจารณาอารมณ์จะรู้เรื่องอะไรไม่ได้ เจตนาหนามีลักษณะประมวลมาลักษณะเป็นผู้นำมุ่งตรงเป็นปัจจุปฐานมีลักษณะมุ่งตรงไปสู่เป้าคืออารมณ์เป็นปัจจุปฐานของตัวเจตนาเจตสิกเพราะเหตุนั้นสังขารในปฏิจจริสมุปบาทท่านจีหมายเอาฝันญาเจตนาอันเป็นเป็นเป็นไปในฝ่ายบุญฝ่ายอัคบุญแล้วก็ฝ่ายอนินชาไม่ใช่กายสังขารมจีสังขารมโนสังขารอย่างสามัญธรรมดาที่เกี่ยวกับฌานสมาบัติ นี่เป็นตัวสังขารในปฏิจจสมุปบาทส่วนคำว่าวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทนั้นหมายถึงปฏิสุลทีวิญญาณหนึ่งกับประวัติีวิญญาณหนึ่งสองอันนะครับไม่ใช่วิญญาณทางทวารหกนะไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณทางอายตนะเพราะเวลานั้นนะอายตนะยังไม่เกิดเมื่อยังไม่เกิดแล้ววิญญาณในปฏิจจสมุปบาทนี้ท่านให้หมายถึงปฏิสธุธทวิญญาณกับประวัติวิญญาณ ปฏิชนทิวิญญาณนะ่ะเกิดเพียงขณะเดียวก็หมดหน้าที่ตั้งแต่ขณะที่สองต่อจากปฏิชนทีวิญญาณกระทั่งถึงจุติในชาติหนึ่งพบหนึ่งเรียกว่าภวัตีวิญญาณทั้งหมดถ้าจะวาไปแล้วก็คือตัวผวางนั่นเองนี่เป็นวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทอันนี้ลักษณะวิญญาณที่จะไปปฏิชนทีต้องถูกกร <c oughs> นี่แหละเป็นผู้พาไป มีปัญหาเป็นเป็นผู้ชักจูงพาไปเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนหนึ่งเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเนื้อนานดีนะครับแล้วก็มีไอ้เจ้าปัญหาเนี่เป็นสิเนหะคือยางเหนียวอยู่ในดวงวิญญาณอันมีกรรมเป็นผู้วงการพาพาไป ถ้าวิญญาณอันใดวิญญาณนี่เป็นพืชขอโทษครไม่ใช่เนื้อนาเป็นเป็นพืชวิญญาณนี่เป็นพืชเป็นผีชะาผีช้าวิญญาณท่านเรียกว่าผีช้าวิญญาณผีช้าวิญญาณนี่ถ้าไม่มีปัญหาเป็นยางเหนียวแล้วมันก็ไม่ขึ้นอย่างวิญญาณของพระอาหารหันต์ที่ยังไม่ถึงแก่การอนุบัสอนุปาสิเสสานิพานก็ท่านก็ยังมีวิญญาณอยู่แต่ว่าเนื่องจากท่าน ม, มีปัญหาคือไม่มียางเหนียวภายใน เพราะฉะนั้นวิญญาณท่านจึงไม่ก่อเหตุปฏิสุขีแต่วิญญาณของบุตุชนนั้นก็ก่อเหตุปฏิสุธีเหตุเพราะมียางเหนียวท่านเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ยังมียางเหนียวอยู่ไปปลูกแม้จะเก็บไว้สักกี่ปีกี่เดือนถ้าไปเจอปัจจัยแล้วมันก็งอกขึ้นส่วนเมล็ดพืชบางเหล่าแม้จะรูปทรงสันฐานไม่ชำรุดแต่ถ้ว่าเมื่อยางเหนียวหมดไปแล้วแม้จะเก็บปีกี่ปีดูกี่เดือน เมื่อไปปลูกข้าวปลูกเท่าไรไปรดน้ํำรวนดินดินฝ้าอากาศจะดีเพียงไรอาหารจะดีเพียงใดมันก็ไม่งอกเงยขึ้นมาท่านเปรียบไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณที่จะไปปฏิสุนธิในพบต่างๆเนี่ยต้องอาศัยอย่างเหนียวภายในยตัวตัญหาในที่นี่ ะ, ะคือตัวเจตจำนงตัวเจตจำนงเจตจำนงความอยากจะเป็นอยากจะมีพูดง่ายๆว่าได้แก่ตัวภาวะปัญหา ตัวนี้สำคัญที่สุดพระพุทธองค์เนตแสดงมูลราของวัฏฏะว่ามีสองอวิชาหนึ่งพระวัฏันหาหนึ่งว่าทำทำสองลาวที่ควรแก่การประหารคือเป็นไฉนคืออวิชาหนึ่งพระวัฏันหาหนึ่งนี่ทำสองลาวที่ควรแก่กำหนดรูปเป็นไฉนคือนามหนึ่งรูปหนึ่งองแสดงโดยนัยะหมวดสองโดยหมวดสองเพราะฉะนั้นอวิชากับพระวัฏันหาเนี่ยถ้าจะว่าโดยจิต คล้ายคึงกันมีภาวะปัญหาอยู่ก็มีอวิชชาอยู่นะฮะถ้าหากว่าอวิชชาดับภาวะปัญหาก็ดับอันนี้ว่าโดยกิตคล้ายคึงแต่ว่าโดยลักษณะอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างคือว่าอวิชชานั้นนําบุคคลไปสู่ทุกขติส่วนภาวะปัญหานั้นนําบุคคลไปสู่สุขติอันเนี้อันนี้ข้อแตกต่างกันระหว่างอวิชชากับปัญหากับภาวะตัญหาคือถ้าจะมีการตั้งกระทู่ถามว่า อวิชชาจะภาวะปัญหานั้นให้ผลอย่างไรที่มากล่าวว่าทั้งสองอันเนี่ยเป็นมูลราชของภพที่พระพุทธองค์แสดงให้รมปหานตับิกอวิชชาจาะภาวะปัญหาจะขององค์ธรรมเนี่ยก็กล่าวขยายความว่าอาวิชชานั้นโดยลักษณะแล้วคือว่านำบุคคลไปสู่ทุกขติส่วนภาะวะปัญหานั้นนำบุคคลไปสู่สุขติเนี่ย ทั้งทุกขติกสุขติก็หนีไม่พ้นชาติภพเพราะฉะนั้นจึงจัดทั้งอวิชากับพราวะปัญหาว่าเป็นตัวเงื่อนต้นของวตะเป็นตัวเงื่อนเงื่อนต้นของวัตะลักษณะของการถือปฏิสนธิของสัตว์อย่างสัตในปัจโุการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัตที่เป็นชลาพุชะําเนิดอย่างมนุษย์เหล่าเนี่ยในมหาปัญหกากายสูตร์ครับ าศาสดาได้สแสดงว่าเมื่อบิดามารดากำลังประกอบกรรมกิตแล้วก็ในขณะนั้นมีคันทัพโพคันทับโพในที่นี้หมายถึงตูปฏิสนธิวิญญาณมาปรากฏแล้วก็ประดูของมารดากำลังอยู่ในระยะที่ว่างามพุ่งพูดง่ายๆว่ามีอย่างผู้ตามภาษาชีะวิทยาก็เรียกว่า ตัวสเปอรมาตัวชัวของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยกำลังอยู่ละจังหวะที่จะผสมกันงามแล้วการตั้งคันก็ปรากฏขึ้นการตั้งคันก็ปรากฏนี่ในมหาสันหขยสูตร์นี่ก็แปลว่าทางพุทธศาสนาเราไม่ได้เพ่งในทางวัตถุแล้วก็ไม่ได้เพ่งในทางจิตแต่อย่างใดอย่างหนึ่งยอมรับทั้งทางวัตถุกับทางจิตทางวัตถุคือยอมรับว่าอ่าปัจจัยจากบิดามารดาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ก่อตั้งชีวิตขึ้น แล้วก็ปัจจัยจากตัวปฏิสนิทิวิญญาณเองอะ่ะอันเป็นตัวต้นตอของชีวิตโดยตรงอะ่ะเป็นผู้สวมสวมเรือนร่างอันนั้นเพราะนั้นปฐมกาลละรูปที่ตั้งขึ้นในมดลูกของมารดาปฐมกาลละรูปอันนั้นก็สําเร็จโดยจากอน้ำเชื่อของบิดามารดาอันนี้ทางรูปทางพุทธศาสนาเราก็ยอมรับผิดกับทางชีววิทยาครับทางชีววิทยา ย, ยอมรับแต่ในทางกาลละรูปว่ากาลละรูปเนี่เป็นตัวทั้งจิตใจทั้ง ร่างกายแต่ทางพุทธศาสนาถือว่ากรรลารูปนั้นเป็นเพียงแต่กายภาพเท่านั้นเองส่วนนามภาพ ค, คือส่วนของทางนามธรรมทางใจนั่นเป็นเรื่องที่ติดมาจากชาติก่อนไม่ใช่หาใหม่ในชาตินี้คราวนี้สิ่งอะไรที่ทําไม่แตกต่างกันระหว่างอุปนิสัยใจคออุปนิสัยใจคอกับสันดานก็เป็นเรื่องติดมาจากชาติก่อนแต่ว่ารูปพันสันธานเป็นของใหม่ที่เราหาใหม่ในชาตินี้ถ้าเราไม่เกิดในท้องฝรั่ง เกมาหนาตาแล้วก็เป็นฝรั่งไปสิรสนิยมเอ่ยความเคยชินเอ่ยกระทั่งมารยาก็เป็นฝรั่งไปจากสิ่งแวดล้อมถ้าเรากเกิดเป็นคนไทยหน้าตาก็เหมือนคนไทยเกิดเป็นแขกก็ห น, านา้นานตาเป็นแขกอันนี้เป็นของหมายในชาตินี้ทั้งหมดรูปร่างนะครับรูปล่างความเคยชินจากสิ่งแวดล้อมเราหาหมายในชาตินี้แต่สันดาลเนี่ยไม่ใช่หาหมายในชาตินี้สันดานเป็นเรื่องติดมาจากชาติก่อนอุปนิสัยกับสันดาล เพรเหตุนั้นที่เรารล้วนสันดานกับอุปนิสัยติดมาจากใจชาติก่อนนะ่ะก็สังเกตได้ว่าในโรงเรียนที่มีการเลียงเด็กชนิดตั้งแต่อนุบาลขึ้นมากระทั่งถึงเป็นโรงเรียนชั้นผู้ใหญ่ลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันให้การศึกษามาสม่ำเสมอกันจัดสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในลักษณะเหมือนเหมือนกันคือเอาไปกินอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเติบโตมาด้วยกันแต่นิสัยของลูกสองคนนี้ แตกต่างกันลาว้ากระดิง่งอันนี้ก็สแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางสายเลือดของพ่อแม่ไม่มีส่วนในที่ในทางที่จะสร้างอุปนิสัยและสันดาณดั้งเดิมของเด็กหรือการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยไม่มีส่วนในการแปลเปลี่ยนสันดานเดิมของมนุษย์สันดานเดิมเนะ่เป็นสิ่งซึ่งตัวอบรมมาเป็นสิ่งที่ตัวพบมาพบเอาไว้ตั้งแต่ปุเรชาติมาแล้ว เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้แม่เราจะเกิดในท้องเดียวกันแม่จะได้รับการศึกษาอบรมในสิ่งแวดล้อมอันเดียวกันแต่มีสายคนของคนนี้ก็แตกต่างกันอันนี้เป็นเครื่องยืนยันซึ่งทางชีววิทยาก็ไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เด็กซึ่งเกิดจากพ่อแม่ท้องเดียวสิ่งแวดล้อมอันเดียวการศึกษาอันเดียวถึงมีความแตกต่างอย่างไกลกันถึงขนาดนี้นอกจากโยนให้แกกรรมพันธ์ว่ากรรมพันธ์ของบรรพบุรุษแทรกเสริมเข้ามา เช่นว่าเด็กคนหนึ่งนีิสายเป็นผู้ร้ายเด็กอีกคนหนึ่งน่สัยเป็นตำรวจทั้งทัางที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เด็กกอเป็นผู้ร้ายเด็กขอเป็นตำรวจก็ในมื่อเป็นพี่น้องแม่เป็นฝาแฝดคลานลงมาด้วยกันแท้ๆอยัางนิสัยแตกต่างกันเพราะอะไรอย่างนี้นักชีววิทยาก็จะบอกว่าอ๋อที่แตกต่างกันนะก็เพราะว่าบังเอิญไอ้สายเลือดชั่วของมันทะ บ, บุรุษมันหลงเข้ามาในตัวเด็กกอสิสายเลือดดีของมันทะ บ, บุรุษ หลงเข้ามาในตัวเดขอน่ะสิถ้ า, าตอบอย่างนี้นะเราตั้งบปัญหาถามอีกข้อนึงว่าอะไรเป็นเหตุให้มบาบังเอิญอย่างนั้นอะไรสมมติเราเชื่อเร า, ามีสายเลือดเขามันถ้าบรุดฝ่ายชั่วมาเข้าตัวในกอฝ่ายดีมาเข้าตัวในขออะไรมันจับสันจับฝันให้ว่าในกอนะแกต้องรับเลือดชั่วไปในขอนะแต่ต้องรับเลือดดีไปใครใครมันจับจับฝันอะไรยังมีพู้จับสันอะไรมันไม่ผู้ป ร, รุงแต่ง ให้บางเอินในในตัวได้รับอย่างนั้นในขอได้รับอย่างนี้ทั้งๆั้สิเป็นเด็กป๋าแฝดนี่เราตั้งปัญหาถามอย่างนี้ภาพตั้งปัญหาถามอย่างนี้แล้วชีววิทยาก็หมดปัญญาตอบบอกมีรูปเหมือนกันมในพวกก็นั่งจัดโยนให้กับบางเอินบางเอินแต่ว่าวิทยาศาสตร์และบางเอินไม่ได้ทุกสิ่งมันมีเหตุผลว่ามบางเอินน่ะเกิดเพราะว่าเราไม่เข้าใจเหตุผลอันนั้นต่าเราถึงโยนให้กับความบางเอิญนะทุกสิ่งในโลกจะต้องมีเหตุผลไม่มีความบางเอิญหรอกครับ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่ทางพุทธศาสนาแจกตอบได้คือว่าไม่ใช่บังเอิญหรอกมันเกี่ยวกับ ก, กรรมอดีตกรรมของบุคคลทสองคนนี้ทํามาต่างกันไม่ใช่ใคลายอะไรทั้งสิ่งเกี่ยวกับอดีตกรรมข้อนี้กลับเป็นการยืนยันส่งเสริมหลักการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนาถ้าเอาไปโทษกรรไปโทษกรรมพัน์ของมันธบุรุษเลือดชั่วเ ล, เลือดดีมาเข้าตัวเด็กแล้วก็กลับมาสนับสนุนมติเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนาของเรายิ่งขึ้น อันนี้เราเราท้าทายนักวิทยาศาสตร์หรือฝ่ายวัฒนธนิยมเข้าได้ในข้อนี้ว่าอะไรมาบังเอิญอย่างนั้นมาจาัดสรรในจังหวะนี้เด็กคุณนี่จะต้องรับเลือดชัว่วในจังหวะนี้เด็กคุณนี่ต้องรับเลือดดีสิ่งนั้นคืออะไรที่มาเป็นผู้จัดสันอย่างนั้นอ่ะจะตอบว่าบังเอิญไม่ได้สิบังเอิญ น, นี่แขาว่าคนที่อับจนต่อเหตุผลและต้องโยนใกนกับความบังเอิญมีอย่างละถ้าต่อให้กับความบังเอิญตัวคนตอบเองก็กํกาลังหักล้างที่สติของตัวเองที่ยนิยมว่าอะไรอะไรต้อมีเหตุผลอ่ะ ขึ้นชื่อว่านักวยาศาสตร์แรกจะต้องมีเหตุผลเสมอไปไม่มีอะไรที่เรียกว่าบังเอิญหรอกเพราะฉะนั้นทั้งฐานเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณแล้ววิญญาณนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามท่านแก้หมายถึงเจตสิกที่เกิดกับปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณเป็นนามนะครับรูปในที่นี้เป็นไปทัางรูป มหาพุทธรูปด้วยอุปาทายรูปด้วยแล้วก็เป็น ท, ทั้งรูปเหล่าอื่นทั้งหมดชื่อว่ารูปอยู่ในนั้นด้วยทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าหาว่าปฏิสนธิวิญญาณไม่มีแล้วการละล่ารูปของบิดามารดาตั้งขึ้นในมดลูกของฝ่ายหญิงแล้วถ้าไม่มีตัวปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปการละล่ารูปอันนี้ก็ไม่เจริญวัฒนาถาวรสลายตัวสลายตัวไปตามธรรมชาติ ไม่ไม่บังเกิดเป็นปันจ่าสาขาไม่บังเกิดเป็นหูเป็นตาเป็นเด็กทารกขึ้นมาไม่ปรากฏไม่สลาย่ไปที่มันบังเกิดเป็นปัญจ่าสาขาเจริญเติบโตกระทั่งครบทุตะมาณิครอบออมาได้รูปอันนี้แหละเกิดเพราะมีเจ้าปฏิสุลที่วิญญาณน่ะเข้าไปพุ่งง่ายว่ะเข้าไปสิงสู่สถิตอยู่ในรูปนั้นเข้าไปสิงสู่สถิตในรูปนั้นบรรดาให้รูปนั้นน่ะเจริญมัฒนาถาวรขึ้นมาด้วยเติบโตขึ้นมาด้วย อันนี้ก็เด็กกับน้ํารูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสราญยตนะอันนี้เข้าใจง่ายนะครับสำหรับคว่าสราญยตนะเนี่ยแปลว่าบ่อเกิดคําว่าอายุตนะนี่แปลว่าบ่อเกิดที่ต่อที่ต่อของอารมณ์ถ้าแปลตามตัวมันที่ต่อของอารมณ์อ่าสราญยตนะอายุตนะอันนี้พระพุทธเจ้าทรงใชความหมายทั้งในส่วนโลกุตละกับโลกียะ อ้าจะแปลโดยเอกเทศแปล ว, ว่าสิ่งอย่างทรงใช้ในกรณีอธิบายพระนิพพานว่าอถิภิขเควตดายาตนางดูก่อนที่สุดทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะนั้นนะ่ะณาปฏวีนเตโชนวาวโยนอาโปไม่ใช่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่อาตาฟ้านั้นใจญาตนะไม่ใช่วิญญาณนันใจญตนะไม่ใช่อคินจัญญาญตนะไม่ใช่เนวสัญญาณาสัญญาญตนะ ไม่ใช่ที่นั่นไม่ใช่ที่นี่แต่ว่ามีอยู่นะพิสุทั้งหลายอันนี้ทรงใช้คําอายตนะในที่นี้หมายถึงพระนิพพานเพราะนั้นเราไปเจอคาว่าอายตนะในพุทธภาษิตบทนี้จะเป็นนึกว่าเป็นอายตนะอันเดียวกับอายตนะหกภายนอกหกภายในหกไม่ได้แต่อย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราแปลว่าอายตนะภายนอกหกภายนอกหกภายในหกแล้วต้องแปลว่าบ่อกเกิดหรือที่ต่อบ่อกเกิดของอารมณ์หรือที่ต่อกกับอารมณ์แต่ถ้ามาในกรณีทรงอธิบายพระนิพพานแล้ว ต้องแปลว่าสิ่งสิ่งสิ่งนั้นมีอยู่นะซึ่งพระองค์ก่อนคนนีิสายที่จะเรียกสิ่งสิ่งนั้นเด็อะไรดีนอกเพราะฉะนั้นจึงต้องอยืมภาษาชาวบ้านอย่างดาดดาดืดนๆในอินเดียข้างพุตการมาใช้ว่าเป็นนิพานนิพานก็เป็นบัญญัติเป็นภาษามนุษย์บัญญัติขึ้นความดับสิ่ง น, นั้นอ่ะที่ที่สุดของทุกที่ดับของทุกแต่ไปเรียกโดยภาษาคนภาษาบ้านนั้นเรียกไม่ถูกเพราะภาวะของนิพานอะ่ะสิ่งใดที่โลกมีนิพานไม่มี สิ่งได้ที่มีพานมีโลกไม่มีเพราะฉะนั้นอับจนอับจนด้วยเก้าวที่จะไปอธิบายมิพานในลักษณะไหนจึงต้องเอาภาษาที่ชาวบ้านเขาพูดกันอยู่อย่างดั บ, บด่าบินๆเนี่ยมามันหยาบเรียกไปทางาๆแต่เมื่อจะตรัสถึงภาวะของมีพานอย่างแท้จริงแล้วก็สูงแสดงในลักษณะปฏิเสธว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่ยังงโไม่ใช่ยังนี้ไม่ใช่ทีโนไม่ใช่ทีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าอั น, นั้นมีนะคือหลังจากปฏิเสธว่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แล้ว มีนั่นใช่ไหมมีมีแต่ความมีของนิพพานน่ะมีอย่างที่โลกไปมีและความมีอย่างโลกมีก็มีอย่างนิพพานไม่มีนี่แหละจึงไนี่ทรงแสดงให้เห็นว่านิพพานน่ะไม่ใช่อย่างโน้นไม่ใช่อย่างนี้ใช้คําว่าอายุตนะคือสิ่งภาวะอันนั้นหรือสภาวะนั้นตอันอันเป็นสภาวะความดับทุกข์น่ะมีต่างจากคําว่าสราอายุตนะในความหมายของอายุตนะภายในกับอายุตนะภายนอก เมื่อมีอาอยุตนะแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาผัสสะนี่หมายถึงว่าเมื่ออายุตนะภายในภายนอกกระทบกันแล้วเกิดวิญญาณความรู้ขึ้นตามอายุตนะความประชุมแห่งธรรมทั้งสามหมวดนี้ชื่อว่าผัสสะเมื่อมีผัสสะแล้วเวทนาก็เกิดจะคุ้มสัมผัสประชาทุกขเวทนาจะคุ้สัมผัสประชาสุขเวทนาจะคุ้มสัมผัสปชาอุทกมะสุขเวทนา เกิดตามทาวารหทาวารละสามละสามเวทนาสามหรือถ้าเป็นห้าก็แสดงโดยเติมโสมนัสโทรมรัสเข้าไปเป็นห้านี่เมื่อมีเวทนาแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาปัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานปัญหากับอุปาท า, า, า, านต่างกันอย่างไรองค์ธรรมเป็นโลภะโลภะอันเดียวโลภะเจตสิกถ้าจะว่าทั้งองค์ธรรมของปัญหากับอุปาทานนะครับคือว่าเป็นโลภะเจตสิกเหมือนกัน ต่างกันที่ดีกรีปัญหาดีกรีอ่อนหน่อยอุปาทานดีกีแข็งกล้าหน่อยดีกรีของมันแตกต่างกันองค์ทำอันเดียวกันคือโลภาเจตสิกปัญหานั้นมีเป็นปฏิปักษ์ต่อความมากน้อยมีลักษณะความตต่างกันระหว่างตันเทาอุปทานนะฮะปัญหาเป็นปฏิปักษ์ต่อความมากน้อยอุปาทานเป็นปฏิปักษ์ต่อความสัโดูนี่เอข้อแตกต่างระหว่างปัญหากับอุปาทาน ถ้าเขาปัญหาถามบอกว่าปัญหาอุปาทานท่านแสดงว่าได้แก่โลภะเจตสิกแล้วท่านจะชี้ให้เห็นความแตกต่างของธรรมะของอันนี้ได้อย่างไรแล้วก็ตอบได้บอกว่าชี้ได้ที่ชี้ได้ก็เพราะว่าปัญหานั้นเป็นปฏิปัติต่อความมักน้อยศูนย์อุปาทานนั้นเป็นปฏิปัติต่อความสัโดลมักน้อยกับสัโดลนี่ต่างกันนะครับต่างกันมักน้อยเนี่ยความมักน้อยเนี่ยทําไมถึงว่าต่างกันคือว่าธรรมะ ในพุทธศาสนาเนี่ยทางโลกเขายังเข้าใจผิดมากถึงกับมีสมัยหนึ่งมีการขอร้องจากนักการเมืองบางท่านบอกให้พระเท่าเท า, าการเทศนาสั่งสอนเรื่องสันโดษเถอะพวกราษฎรจะพากันเกียดคร้านไม่ทําการไม่ทํางานขอให้เท่าเทากันสอนเรื่องสันโดษเถอะนี่นักทานนักการเมืองผู้นั้นไม่เข้าใจความหมายเรื่องสันโดษไปเอาสันโดษปุณจะคามั่นน้อยเสร็จแล้วนี่เลยเข้าใจผิดหมดสันโดษไม่ใช่มักน้อย เราสังเกตได้ว่าพระกาสดาสแสดงธรรมอันเกี่ยวกับมรรคโนยนั้นไม่ได้สอนคฤหัสถ์เลยสอนพระท่างนั้นสอนพระนะสอนมรรค้อยนะไม่เคยพบหมวดธรรมข้อไหนที่พระองค์สอนคฤหัสถ์ในเรื่องมรรค้อยเลยไม่ปรากฏเลยเพราะเป็นคฤหัสถ์และมรรคโนยไม่ได้แต่เมื่อกล่าลสุสันโดษแล้วทรงใช่ทั่วไปทั้งพระทั้งคฤหัสถ์แสดงธรรมสอนหมดพราะทํำไมพระองค์กลับว่าสันตุผีประมาณค์ธนังหลักความสันโดสนี่เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ทำใหแสดงอย่างนั้นเรายกตัวอย่างง่ายๆั็พอว่าสันโดษได้แก่อะไรสันโดษนั้นคือความพอใจในผลได้จากพละสติกำลังความสามารถที่ตัวขนขวายมาชื่อว่าสันโดษนี่เห็น ช, ชัดๆแหละใครมีสันโดษนะประเทศนั้นเก่าหนาลาวตอนเขมีขมันทำงานเพราะทุกคนต้องการจะเอาผลได้จากพละสติกาลังของตัวเอง ไม่ไม่นั่งงอมือ ง, งอตีงจะพึ่งคนอื่นหายใจไ ม, ไม่ไม่มีไม่มีการคนว่างน้ำไม่เกิดในสังคมนั้นสังคมใดมีสันโดษเพราะอะไรสันโดษพระองค์ไม่สอนแล้วนี่ว่าผู้ใดที่มีความพอใจในทรัพย์ในสมบัติที่ตัวหาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงสติกัญญางตัวเองนั่นแหละเป็นสันโดษไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็พอทํานั้นแล้วไม่ต้องไปหาแล้ววันนี้ได้กินข้าวมื้อนึงก็พอไม่ต้องไปห่วงวันพรุ่งนี้ พนี้จะอดช่างมันไปหาหมายไม่ใช่นันไม่ใช่สันโดดนั่นคนละอย่างนั่นมักน้อยมักน้อยนะ่ะทรงแสดงกับพระอย่างเดียวเพราะว่าพระเราพึ่งชาวบ้านพระเราไม่ไม่สะสมอาหารเพราะฉะนั้นมีมักน้อยได้ให้พอมีพอกินพอใช้ในจตุปัจจสี่วันหนึ่งวันหนึ่งอย่าไปคิดสะสมอะไรมากมายพอคุณกับอัตภาพนี่ทรงแสดงกับพระแต่บรณชิตพรอบคระเราต้องพึ่งชาวบ้านตัวเลี้ยง ถ้าไปมัวสะสมมากมายกายกองแล้วก็จะเป็นการเบียดเบียนชาวบ้านไปเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้มันมาชิดรู้จักมักน้อยไม่เคยทรงสอนคดีศักดิ์หดให้มักน้อยเลยคนละอย่างเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจเอาสันโดษเป็นคนกับมักน้อยเนี่ยเอามักน้อยเป็นคนกับสันโดษเนี่ยจึงมาโทษพุทธศาสนาหาว่าอ่าคนไทยมัวจะนับถือพุทธอยู่สี่มืองไทยถึงลานหลังเก่าหน้าตามเขาไม่ทันนี่เข้าใจผิดแท้แท ถ้าคนไทยนับถือพุทธจริงเข้าใจธรรมะพระองค์จริงปฏิบัติจริงแล้วป่านนี้คนไทยนำหน้าโลกแล้วไม่มีคนว่างงานทุกคนต่างช่วยตัวเองสร้างตัวเองไม่มีใครมานั่งเป็นนักรีดนักขายที่มีนักรีดนักขายในสังคมเนี่เพราะไม่รู้จักสัญโดตรนะถึงคอยรีดคอยขายเขากินน่ะเอถ้าหาว่ามีสัญโดแล้วนักรีดนักขายไม่มีทุกคนทําการทํางานพอใจในทรัพย์สมบัติที่ตัวหาได้โดยพระกําลังสติปัญญาของตัวเป็นลักษณะของสัญโดแท้ เพราะเหตุนั้นสันตุถีปรามังคณังสันโดษจริงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์อย่างยิ่งอย่างนี้แหละคือเมื่อทัพ ส, สมบัติที่เราหาได้เดติกําลังของเราเราก็พอจะรับมีความสุขดีกว่าที่ไปคอรับชันเข้ามาไปรีถายเข้ามาคนที่คอรับชันน่ะคนขาดสันโดดคือไม่ไม่พอใจในทัพสมบัติที่ตัวหาได้เดพละกําลังกับพอใจในทรัพสมบัติที่คนอื่นเขาหาได้เดชละกาลังเขาตัวเองไม่อยากหาใช้วิธีคอรับชันเอา การที่สังคมเมืองไทยยังมีขอรับชันปราบกันไม่หมดเนี่ยก็เพราะว่าขาดสันโดษถ้าหาว่าทุกคนเผยแผ่เรื่องสันโดดและอธิบายเข้าใจในความหมายของสันโดดดีจริงแล้วคอรับชันก็ไม่มีคนวางงานในสังคมก็ไม่มีผู้ถึงปัญหาข้อนี้ก็ทําให้นึกถึงมีคําว่าสีเลนะโภูกระสัมปทาจะได้โภูกสมบัติกับพระศีลถ้าให้ศีลทุกครั้งตกว่า น, นี้สง่าอย่างนี้ชาวบ้านก็สงสัยว่าเอ๊ะสีเลนะภูกสัมปทามันจริงเหรอ วันนี้สมาชิกสินห้าดูซิมันจะถูกรัตอรี่ไหมเห็นโพคสัมปรานี่นะวันนี้เดือนนี้แค่เดือนหนึ่งคือสินห้าแข่งมันตกำไรทํามาค้าขายมันจะข้องขึ้นไหมไม่ข้องก็หาว่าไม่จริงละสีสีเลยนะโพคสัมปรามโกหกก็ไม่จริงนี่นะนี่เข้าใจเหดอีกแล้วเข้าเข้าใจคําว่าสีเลยนะโพคสัมประานผิดอีกแล้วทําไมต้งแสดงคําว่าสีเลยนะโพคสัมปราเพราะอะไรยกกูเรายกกูอยากก็้ฟังง่ายๆบอกว่าเข้าแล้วนะ วันนี้แกออกจากวัดไยฟังเทศและออกจากวัดแล้วไปประพฤติผิดศีลเขาไปถึงออกจากวัดไปถึงกลางถนนตกอความาไม้ตีกระบานคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครตีกรบานเลยสิทำร้ายร่างกายเขาหรือไม่ก็ไปวิ่งลาเขาสิแล้วพอวิ่งลาพอไปตีกระบานเขาเลื่อนความถึงโรงถึงศาลถูกจําคุกผู้ฆาวิบัติแล้วทำไมถึงวิบัติต้องออกจากงานอืม ออกจากงานเป็นคนขี้คุกแล้วทาเป็นข้าราชการก็ถูกไล่ออกทาเป็นลูกจ้างไปติดคุกตั้งหกเดือนเจดเดือนในจ้างที่ไหนก็ไม่มาจ้างหรอกออกโภคค่าชิบหายแล้วคันตาเห็นแล้วคําติดคุกออกมาจะไปหางานทําก็อย่างยากถ้าเขารู้เบื้องหลังตัวเป็นคนขี้คุกขี้ตารางเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศีลนะโภคค่าไม่วิบัตินะหมายถึงว่าเมื่อเรามีศีลเป็นคนมีศีลแล้วไม่ต้องกลัวตํารวจไม่ต้องขึ้นโรงงขึ้นศาลไม่ต้องติดคุกติดตารางแล้ว เราก็มีโอกาสที่จะทํามาหากินได้สะดวกหมายความเพียงแค่นี้ครับคําว่าโพคาสัมปทาไม่ได้หมายความว่าโอ้จะล่ำจะรวยเพราะเหตุการถืสถราารรอสินห้าจะรวยเพราเงินถูกลอมาลอตเตอรี่เพราะสินค้าไม่ใช่คําว่าสีเลยนะโพคาสัมปทาเราต้องอธิบายในแง่นี้ทําความเข้าใจกับชาวบ้านให้ถูกต้องยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่ผมว่ามานี่แหละว่าวเขา้าเจ๊ จะเห็นฤทธิสิงข้อนี้หรือหรือจะไม่เห็นก็เอากันง่ายๆออกไปไปทำร่ายไข่เขา่าหรือไปชกชิงหญิงลาอะไรไข่เข่าไปทําผิดอะไรข้อนึงเข่าเขแล้วไปมันติดตารางได้แค่ทีหนึง่งแล้วจะได้เห็นผลว่าสีเทนณะาภูกระสมบถายังไงบ้างบา ง, บางคนติดารางออกมาเมียก็ชิหายไปมีหัวใหม่ลูกเต่าก็หนีพระสมบัติก็เจ๊งมีบ่อยๆไปนี่ไปไปอันตรธานถูกเขาขังหลับยาวสักพักหนึ่งออกมาอ่าวเมียไปมีชู้เสแล้วอ่าบ้านช่องก็วิบัติไปเสีแล้วเนี่ยโภูค่าก็วิบัติ นี่และสีเลยนะโพธิสัตปทาให้ผลอย่างนี้ไม่ใช่ไมายกวางมันจะให้ลํารุ่ยเป็นเศรษฐีเพราะถึงศีลไม่ใช่ไอ้ลำรุยเพราะลำรุ่ยจะต้องทําทํทาบรรเพทนธรรมะอีกหมวดหนึ่งม่นจะธรรมะเพียงศีลศีลไม่ได้ทําให้คลนล่ํารุ่ยศีลเป็นเพียงแต่ช่วยให้ไม่ให้โพคาวิบัติให้เราตั้งตัวอยู่ใน อ, อยู่ในฐานะที่ควรในสังคมไม่ต้องไปติดตารางไม่ต้องไปทําให้เสียเวลาการทํามาหากินอันเป็นเหตุให้โพ่าวิบัตินี่เป็นสีเลยนะโกธสัมวปทา เพราะเหตุนั้นปัญหาจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อความมักน้อยอุปาทานจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อความสันโดษถวารว่าด้วยลักษณะองค์ธรรมนะครับนี่อารักจิตของมันปัญหานั้นมีลักษณะทุกทุกเพราะแสวงหาเป็นมูลอุปาทานทุกเพราะอารักขาเป็นมูลนี่ในจิตจิตของมันเราทำไม่ได้ว่าปัญหาเป็นทุกเพราะอาศัายการสแสวงหาเป็นมูล ท่านเปรียบเหมือนว่าโจรที่ยื่นมือจะไปลักของอาการโจรยื่นมือไปเป็นปัญหาเจตนาของโจรที่ยื่นมือจะไปลักข อ, ของเขานี่เป็นปัญหาอาการที่ได้ของมาแล้วหวงแหนเอาว่าเป็นของตัวนี่เป็นอุ ป, ปาทานเพราะฉะนั้นปัญหาเป็นทุกข์เพราะมีการแสวงหาอารมณ์เป็นมูลอ Panda, ุปาทานเป็นทุกข์เพราะมีการตามอารักขาอารมณ์เป็นมูลอารักขาอารมณ์ที่ตัวได้มาจากปัญหา อุปาทานจึงแรงกว่าปัญหาโดยโดยดีกริงมันแรงกว่าแต่องค์ธรรมเป็นโลภะเจตสิก ด, ดวงเดียวแม่กูสงฆเจตสิกเป็นตัวโลภะเจตสิกองค์ธรรมของมันเพราะฉะนั้นปัญหาจึงเป็นปัจจัยให้เกิด อ, อุปาทานไอ้ัญหาในที่นี้นะ่ะท่านแก่ว่ากามตัญหาเพราว่าตัญ ห, หาวิปวะตัญหาการมาปัญหาเราเข้าใจง่ายมาถึงรูปรถกลิ่นเสียงแต่ว่ารูปรถกลิ่นเสียงลำพังรูปรถกลิ่นเสียงอย่างเดียวนะ่ะ ถ้าจะว่าไปแล้วนะไม่ใช่เป็นตัวกามนะรูปวิกินเสียงเนี่ยใจที่สหรคตด้วยโลภะอันท่องเที่ยวไปในอารมณ์หกนี่ต่างหากเป็นตัวตามวางตามมาสังกับปานี่แหละเป็นตัวตามกามมาสังกับปาอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกก็ตั้งอยู่ในธรรมดาของอารมณ์อย่างนั้นแหละแต่ทำไมในที่นี้่นนิเทศแห่งปัญหาพระองค์จึงอถาธิบายในลักษณะตามมาตัณหาว่าแต่รูปริกินเสียงขพรอะไร ในที่นี้น่ะทรงแสดงโดยในยะคําว่ากามาตัญหาคือรูปตัญห า, าราัศาตัญหาสัพตัญหาเป็นลําดับนั้นน่ะทรงหมายเอาว่ามีกามาสังขับกามาสังขับปะอันประกอบด้วยโลภะสหรสคตเข้าไปโครจรในอารมณ์ทั้งหกนี้อยู่ในนั้นด้วยถ้าลําพังตัวอารมณ์อย่างเดียวน่ะลาพังรูปรสกลิ่นเสียงอย่างเดียวไม่เป็นตัวกามนะครับวันดนตริของบุคคลตหางเป็นตัวกาม ดัมบิโดยอาศัยโลภะเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นตัวกลางนี่เป็นตัวกางแท้เพราะว่าสอารมหกภายนอกจะเป็นตัวกางแล้วงั้นพระอริยะก็เอากลางมาเลยเป็นกางมาปัญหาเกิดด้วยสิเพราะรว่าสินเสียงนี่ก็เป็นอารมณ์ที่กายของพระอริยะจะต้องโคจรไปถึงมืองกันเพราะฉะนั้นอารมณหกเนี่ยเป็นอภิยากฤตถ้าชะเจ้าว่าด้วยธรรมชาติแล้วเป็นอภิยักษ์กริไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเป็นกลางๆแต่เพราะไอ้กางมาทั้งตั้งตากของบุคคลเนี่ย ที่เข้าไปโคจรในอารมณ์หกนี้ต่างหากเา่าเมื่อผสมกันแล้วจึงเป็นตัวกามนี่เหมือนกับอุปาทานเหมือนกันมันจุบาพานละขันทานทาุกขามันไม่ได้แสดงว่ามันจุบาทานละขันทานอุขันห้าอันประกอบด้วยอุปาทา น, เ, นเป็นตัวทุกเป็นตัวทุก เ, เ, เป็นตัวเจตสิกกระทุกไม่ใช่ตัวสภาวะทุกลําพังข้าขันห้าเฉยเฉยไม่เป็นเจตสิกกระทุก เป็นสภาวะทุกข์เท่านั้นเป็นทุกขลักขณะแต่มีไอ้เจ้าอุปาทานชันทราคะอันเป็นไปในรูปขนันกระทั่งถึงวิญญาณขนันตัวชั้นธราคะนี่แหละคือตัวอุปาทานชั้นทราคะอันเป็นไปในขนันห้าจึงเป็นตัวเจตสิกษษษษกระทุกตกลงว่าทุกมีสองชัน้ทนทุกข่ายนอกทุกข่ายในคนที่มีชั้นทราคะในขนันหน้าก็โดนทุกสองขนัน คนที่มมีชั้นคราคาในขันหน้าก็เพียงแต่ทุกข้างนอกขั้นเดียวไม่เจ็บทั้งข้างในมันต่างกันอย่างนี้